เจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจไฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้รายการธรรมสู่สันติก็กลับระพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ วันนี้อาตมาภาพจะได้นำธรรมบัญญายของหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณที่แสดงค้างไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วในเรื่องสู่ทางพระนิพพานเนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับอาราธนาจากปเปลี่ยนธรรมสมาคมให้ไปบัญญายถวายความรู้แด่พระสงฆ์สามเณรและสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดสามระยากรุงเทพมหานครสาหรับ วันนี้เป็นตอนที่สองที่จะนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังหลวงพ่อท่านได้พูดถึงเรื่องราวหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงเรื่องนี้ไว้และยกพระไตรปิฎกขึ้นมาแสดงเพื่ออ้างอิงหลักฐานหลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนาว่าพระองค์แสดงไว้อย่างไรขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจ รับฟังธรรมบัญญายเรื่องสู่ทางพระนิพพานพร้อมกั น, นสภาวะของนิพพานมีความหมายอย่างนี้ที่นี้ในความหมายนี้ก็หมายถึงว่า นิพพานมีนิพพานหรือสภาวะของนิพพานไม่ใช่สภาวะของขันห้าซึ่งเป็นสังขารธรรมเมื่อไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว นิพพานก็ย่อมมีอยู่และเมื่อมีอยู่แล้วน่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้อย่างไรท่านแสดงไว้ว่านิพพานเป็นธรรมสาระเป็นแก่นเป็นสารและมีสภาพเที่ยง มีสภาวะที่เที่ยงเพราะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นสภาวะประเสริฐสุดคือไม่ต้องตกอยู่ในอนัตแห่งพระตรยลักข้อนี้ก็มีปรากฏอยู่ในอัจฉริย ซึ่งอธิบายพุทธพจน์ที่มีปรากฏในคุตตกานิกายอิติุตตะมีอยู่ในหนังสือนะหนังสือชื่อว่าพระสูตรและอัทธกถ า, ภาแปลขุตทะนิุตตกานิกายอิติุตตะ เล่มที่หนึ่งภาคที่สี่จัดพิมพ์โดยมหามกุฎราชวิทยาลัยเนื่องในวารโอกาศครบสองร้อยปีแห่งพระราชวงศ์จักรีเมื่อพุทธศักราชสอง5นห้ารยี่สห้านี่แหละมีปรากฏคำแปลาจากพระบาลีที่ว่าอัทวานิจจาวโต เศษรษภาวะโตจะสภาวะธรรมเมสุสารันติธรรมสารังนิพานังแปลว่าอีกอย่างหนึง่งธรรมชาติใดเป็นสาระในสภาวะธรรมทั้งหลายโดยความเป็นธรรมชาติเที่ยงและโดยความเป็นธรรมชาติประเสริฐสุดเหตุนั้น ธรรมชาตินั้นชื่อว่าธรรมสาระคือนิพภะคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่ศูนย์คือไม่มีนะแต่ว่าว่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่างหรือปราศจากหรือพ้นจากอัตตาหนุทิฏฐิ หรืออัตวาทุปาทานคือความหลงผิดไปยึดมั่นในสังขารมีขันห้าเป็นต้นว่าเป็นอัตตาแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนิพพานอันนี้อัตมาจะลองถามดูถามพระดูกันพระที่ท่านเป็นปรเรียนนั่งอยู่ที่นี่ ดูจะนั่งใกล้สักหน่อยท่านมหาสุเนสุนีโตท่านองค์นี้เป็นป ร, ริยนธรรมห้าประโยคใครจะเรียนถามพระคุณเจ้าว่ะเมื่อพระนิพพานเนี่ยเป็นสภาพว่างจากกิเลสเป็นธรรมสาระเป็นสภาพเที่ยงเนี่เป็นอนัตตาได้ไหม คือมิใช่สภาพที่เป็นตัวตนได้ไหมไม่ไ ด, ไได้อันนี้ก็ตอบได้เลยแต่ทีนี้เมื่อมีเอกสารอีกฉบับหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปอีกด้วยรู้กันทั่วไปคือบาลีพระพุทธภาษิตว่าสัพเพ สังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาเนี่ยถ้าเช่นนั้นคำว่าสัพเพแปลว่าทั้งปวงธรรมาแปลว่าทำทั้งหลายอนาตาัตตาติซะด้วยนั่นอีติก็แปลว่าหรือหมายความว่า ที่ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคือมิใช่ตัวตนมันรวมถึงพระนิพพานด้วยหรือเปล่าถามท่านมาหาอีกทีนท่านว่ารวมอยู่ไหมนิพพานรวมเป็นอนัตตาไหมในความหมายนี้นั่นท่านว่าง เป็นสภาพเที่ยงแล้วเป็นอนัตตาได้ยังไงเอาละ่ะความข้อนี้ท่านทัน้งหลายพึงฟังว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ขีนาศพก็ดีแสดงสภาวะที่เรียกว่าสามั ญ, ญลักษณะคือสภาพหรือลักษณะทั่วไป ของธรรมชาติที่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ท่านพิจารณาดูเลยว่าท่านแสดงลักษณะหรือสามัญลักษณะของธรรมชาติใดจะเห็นว่าเริ่มต้นด้วยรูปังอนิจจังรูปแลไม่เที่ยง ยะทะนิจังตังทุกขงังรูปไม่เที่ยงก็เพราะว่ารูปประกอบด้วยเหตุด้วยปัจจัยย่อมต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นยะทะนิจังตังทุกขงังสิ่งใดแลไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์ที่ว่าเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุตามปัจจัย เพราะฉะนั้นทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานทนอยู่ไม่ได้นานเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ก็ดับไปใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดคิดว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นบุคคลเราเขาของเราของเขาแล้วเป็นทุกข์ยึดมากทุกข์มากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดเลยไม่ทุกข์เลยนั่นเป็นสภาวะพระนิพาน ทีนี้ดูต่อไปยังทุกขังตังอนาตาหรือตะธนาตาสิ่งใดเป็นทุกข์เพราะทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นั่นแหละสิ่งนั้นแหละเป็นอนาตานี่ท่านแสดงอย่างนี้ยกเอาขันห้าขึ้นแสดงเสมอใช่เพราะอยู่ใกล้ตัวที่สุด และเป็นที่ตั้งที่อาศัยของกิเลสอวิชาตันหาอุปทานของแต่ละสัตว์ผู้ที่ยังไม่พ้นโลกจึงทรงแสดงสามัญลักษณะของสังขารโดยยกเอาขันห้าขึ้นแสดงแล้วจึงมีข้อสรุป ว่าสัพเพสังขารานิจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารในความหมายกว้างไม่ใช่แต่เพียงขันห้าแต่หมายรวมความถึงสังขารขันหรือสิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง ทั้งที่มีวิญญาณครองและที่ไม่มีวิญญาณครองที่ชื่อชื่อว่าอุปาทินากะศสังขารและอนุปาทินากะศสังขารหมดนั้นแหละรวมเรียกว่าสังขารและบรรดาที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านี้แหละที่ไม่เที่ยงเพราะต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุตามปัจจัย และคำต่อมาว่าสัพเพสังขาราทุกขาก็เพราะว่าไม่เที่ยงจึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิจึงเป็นทุกข์คำสุดท้ายว่าสัพเพธรรมานาตาเปลี่ยนคำว่าสังขารามาเป็นธรรมามิหมายถึง รวมความถึงวิสังขารอย่างเช่นพระนิพพานด้วยหรืออย่างไรแน่อันนี้ใครจเจริญพรเอกสารคือคำอธิบายของพระอัตฉริาจารย์ ซึ่งเราถือนับถือว่าเป็นคําอธิบายของพระอาหารหันต์โน่นตั้งแต่แรกๆถือเอาเป็นตำรับตำราศึกษากันต่อมาได้อธิบายสัพเพธรร ม, มาคือคําว่าธรรมาเนี่ยหรือแปลว่าทำทั้งหลายเนี่ยซึ่งมีคําว่าสัพเพทั้งฟวงด้วยเนี่ย พระพุทธเจ้าทรงหมายเอาอะไรอาตมาจะอ่านให้ฟังจำเพาะในคาถาว่าสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัตสติอัฏฐนิพินสติทุกเขเอสะมะโควิสุทธิยา แล้วอัจฉริ า, าจารย์ก็ได้อธิบายคำว่าสัพเพธรรมมาต่อไปว่าตัถฐสัพเพธรร ม, มติปัญจขันธาเอวะอทิปเปตาเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งตวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์ความหน่ายในทุกขนั่นเป็นทางแห่งความหมดจด พระอัตฐกถาได้อธิบายว่าตัฏฐสัพเพธรร ม, มาติปันจากขันธาเอวะอธทิเปตามีความว่าหรือแปลว่าบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าสัพเพธรร ม, มาพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาขันหานี้เอง ทั้งหลายคงเข้าใจแล้วว่าสัพเทธรรมาอนัตตานั้นหมายความถึงนิพพานด้วยหรือเปล่าหมายความถึงวิสังขารด้วยหรือเปล่าจากเอกสารหลักฐานทั้งหลายอันนี้มีอยู่ในไหนมีอยู่ในธรรมประทธธัดกถาสัตโมภาโค เรื่องอปรังปันจัตสตะพิกขูวัตถุจัดพิมพ์โดยมหามากุตรราชวิทยาลัยพุทธศกราช2529หน้า62และในพระธรรมปรทัตจักคาถาแปลภาคเจจัดพิมพ์โดยมหามาุตราชวิทยาลัยพุทธศักราช2529หน้า98เป็นอันว่าสัพเพธรรมะอนัตตา สิ่งที่เป็นอนัตตานะ่คือสังขารโดยยกเอามากล่าวกันเสมอเสมอคือขันห้าเท่านั้นไม่ได้กินความถึงวิสังขารอย่างเช่นพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมสาระหรือธรรมสารังเป็นแก่นเป็นสาร เป็นนิจจาวโตวเป็นสภาพเที่ยงเศษฐาวโตวเป็นสภาพประเสริฐไม่ได้คลุมถึงความหมายของพระนิพพานที่ว่านี้แต่ประการใดให้เข้าใจพระนิพพานเป็นอย่างนี้ได้เคยมีในอดีตในสมัยพุทธกาล ได้เคยมีพระที่เข้าใจผิดแล้วก็ได้รับการชี้แจงจากพระอระหรันต์เท่าที่จะยกตัวอย่างในวันนี้จะขอยกตัวอย่างท่านยมกหรือยมกะ ที่มีปรากฏในข้อความตอนท้ายแห่งการสนทนาโต้ตอบปัญหากันเป็นคำสนทนาโต้ตอบกับพระมหาสารีบุพระสารีบุตรมหาเถระมีปรากฏในสังยุตติกายขันธวัชพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐเล่มที่สิบเจดข้อร9อดหน้า1้3ยสาสสาม มีความแปลดังต่อไปนี้แต่ว่าก่อนจะถึงความแปลขอให้เข้าใจเรื่องราวสักนิดว่าพระยะมกหรือพระยะมกะเนี่ยสมัยนั้นท่านยังไม่ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลแต่ท่านได้เที่ยวคุยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้า ท่านรู้แจ้งหมดแล้วและก็ว่าพระอาหารหันต์ตายแล้วขาดศูนย์เพราะท่านไปเข้าใจความหมายของคำว่าพระอริยบุคคลพระอาหารหันต์หรือพระตถาคตหรือพระพุทธเจ้าว่า ก็เป็นแต่เพียงหรือมีแต่เพียงขันห้าเท่านั้นเมื่อท่านเห็นอยู่เพียงเท่านี้ท่านก็เลยเข้าใจเอาว่าสภาวะของพระอริยเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอาหารหันต์บุคคลและพระตถาคตเจ้าเป็นต้นท่านว่างจากกิเลส เมื่อขันห้าแตกทำลายแล้วก็หมดกันนิพพานไม่มีและไม่ทราบว่าสภาวะที่แท้จริงของพระอรหันต์บุคคลหรือพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอย่างไรท่านก็เที่ยวคุยว่าท่านเข้าใจว่าพระอรหันต์ตายแล้วขาดศูนย์ท่านรู้หมดแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าที่นี้ พระอาหารหันต์ทั้งหลายก็เวทนาใครจะอนุเคราะห์แก่พระยะมะกะัพยายามชี้แจงพยายามอธิบายอย่างไรไม่เชื่อพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็เป็นห่วงเป็นใ ย, ยเพื่อนสหธรรมิกว่าด้วยทิฏฐิชั่วอันนั้น แต่เดี๋ยวก็จะได้ไปอบายภูมิซะหรอกก็เลยไปอาราธนาพระสารีบุตรมหาเถระมาช่วยทำทิฐิของพระยะมะกะเนี่ยให้ถูกต้องสถทีพระสารีบุตรก็มาอนุเคราะห์ โดยกล่าวเป็นคำถามฟังให้ดีว่าท่านสำคัญว่าอย่างไรท่านยมกท่านมองเห็นหน่วยดีนะฮะมองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตหรือตอนนี้ เมื่อพิจารณาตอนต่อไปก็จะพบว่าพระยะมกเนี่ยยังไม่แจ้งในธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหมดหรอกแต่ก็พอคลุมคลุมเครือเคือจึงตอบว่ามิใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุไอ้คำว่ามิใช่เช่นนั้นก็คือว่าท่านไม่ได้มองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตคำตอบนี้ถูก แต่ว่าพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระธรรมเสนาบดีพระอัครส า, าวกเบื้องขวาน่ะยังรู้แล้วว่าพระยะมกเนี่ยยังยังไม่บรรลุพระราหัตผลเอาให้แน่เพื่อจะให้ท่านยมกเนี่ยรู้ทีเดียวรู้ตัวทีเดียวว่าท่านยังไม่รู้จริงหรอกก็เลยถามคำถามที่สอง ว่าท่านสําคัญว่าอย่างไรท่านยมกฟังให้ดีนะฮะตอนนี้ท่านมองเห็นว่าตถาคตนี้นั้นเป็นสภาวะไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณหรือพระยะมกหลังเละซะแล้วแต่ก็กลั้นใจต่อไปละมิใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุ ลั่นใจต่อไปทีเดียวคำถามว่าท่านว่าอย่างไรล่ะท่านมองเห็นตถาคตนี้นั้นเป็นสภาวะไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีเวิยญาณหรืองงไม่แน่นอนตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุก็แปลว่าท่านยมกตอบ ไปในความหมายว่าตถาคตเป็นสภาวะนี่จำไว้นะไม่ใช่ตถาคตเฉยๆนะตะถาคตเป็นสภาวะที่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงนี้มันผิดผิดเพราะว่าตถาคตเป็นสภาวะที่ไม่มีรูปเป็นสภาวะนะไม่มีรูปไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เพราะอันนี้เป็นขันห้า น, นี่ไม่ใช่ตถาคตนะแต่ไปตอบว่าพระตถาคตมีโดยตอบปฏิเสธทับปฏิเสธมิใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรก็เลยได้ความจริงว่าพระยะมกนี่ยังไม่ได้บรรลุธรรมดุเลยนี่นะ่ท่านยมกในปัจจุบันนี้เองที่ตรงนี้ ท่านยังหาตถาคตโดยแท้จริงไม่ได้ก็แปลว่าไม่รู้จักตถาคตที่แท้จริงโดยสภาวะควรหรือที่ท่านจะกล่าวแถลงว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วว่าพระภิกษุผู้เป็นขีณาศพต่อจากแตกกายทำลายขันต่อจาก กายแตกทำลายก็จะขาดศูนย์หายสิ้นหลังจากตายจะไม่มีอยู่อีกพระยะมกเข้าใจว่าพระอรหันต์ตายแล้วขาดศูนย์หมดกันไม่มีอะไรเป็นความเข้าใจผิดสาธุชนกาลังติดตามรับฟังรายการธรรมสุสันติที่จบไปนั้นก็เป็นธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเรื่องสู่ทางพระนิพพาน ซึ่งหลวงพ่อกำลังพูดถึงเรื่องพระยมกที่มีทิฏฐิว่าพระอรหันต์ตายแล้วดับสูญไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นความเข้าใจผิดของพระยมกที่ก่อนได้บรรลุโมกตธรรมหรือได้ก่อนได้บรรลุพระอรหันตผลโดยพระสารีบุตรต่อมาพระสารีบุตรได้มาเป็นผู้ซักถามมา แนะนำธรรมะให้จนได้บรรลุโมกธรรมหลวงพ่อกำลังยกเรื่องนี้ขึ้นมาประกอบการบรรยายเพื่อที่จะให้เห็นว่าการบรรลุธรรมนั้นเป็นเช่นไรสำหรับวันนี้รายการธรรมะสุสันติเวลาก็หมดลงแล้วขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามธรรมะบรรยายเรื่องสู่ทางพระนิพพานได้ในตอนต่อไป ขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในพระสัตธรรมจงมีแด่สาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร